บาดประเสริฐกว่าคลาลกเรื่ององค์ท่านหลวงปู่ที่ได้เขียนข้ามไปบ้างเพราะระลึกได้ทีหลังในระหว่างท่านป่วยชลาภาพตัดเซไปบินสบาทในบ้านอยู่นั้นวันหนึ่งครูบาทองคำประซิบกับผู้เขียนด่วนๆว่าตอนองค์ท่านหลวงปู่ออกจากห้องแล้วตอนเช้าองค์ท่านจะลงไปจงกรมก่อนบินทบาทท่านเป็นผู้รักษาไฟอั้งโลที่เอาไปตั้งไว้ที่สุดของทางจงกรมทางละอันเพราะระวังคอยดูแล เกรงองค์ท่านจะเสื่อมสายและก็ได้รักษาอยู่ใกล้องค์ท่านท่านจงกราบเท้าเหรียญถวายว่าคณะสงฆ์ทุกทวนหน้าได้พร้อมใจกันแล้วว่าขอกราบเท้าเหรียญถวายองค์หลวงปู่ไม่ต้องลำบากไปบิณฑบาตคณะสงฆ์จะหามาเลี้ยงเองดังนี้เพราะเป็นเวลาสองต่อสองไม่มีองค์อื่นร่วมด้วยในกาลเทศะอย่างนั้นได้ตอบครูบาทองคําย่อๆว่าเออผมก็จะลองกราบเท้าเหรียญถวายนิ่มอนดู แต่ร้อยน์ทีเดียวผมเข้าใจว่าองค์ท่านคงจะไม่ยอมรับและผมเข้าใจว่าพระอาจารย์มหาคงได้พิจารณาแล้วถ้าหากว่ามีประตูจะได้พระอาจารย์มหาคงกราบเท้าเรียมถวายก่อนพวกเราแล้วและพระอาจารย์มหาจะไม่วิจารณ์พวกเราว่าอวดฉลาดข้ามปลายองค์ท่านดอกหรือครูบาทองคําตอบว่าไม่เป็นไรดอกผมรับรองได้ผมจะแก้ช่วยดอก ถ้าหากว่าติดพลาดขอขาดบาทตายต่อพระอาจารย์มหาผมจะรับเอาว่าเป็นด้วยผมดอกถ้าโอกาสวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้จึงกราบเรียงนิมนต์ในยามองค์ท่านจงกรมตอนเชา้าที่อยู่สองต่อสองนั่นแหละเพราะไม่มีใครคอยฟังอยู่ด้วยเพราะหมู่รวมคอยอยู่ที่ศาลาหมดแล้วในตอนนั้นแต่วันนั้นไม่ได้กราบเข้าเรียนถวายเพราะยังไม่ได้เล่าถวายพระอาจารย์มหาฟังทั้งเวลาก็ไม่อํานวย เพราะถ้าวันไหนองค์หลวงปู่ออกห้องสายบ้างองค์ท่านก็เดินจงกรมไม่นานเพราะจวนจะบินขบาติแต่สุดท้ายก็เลยไม่ได้กราบเรียนพระอาจารย์มหาเลยและเจ้าตัวผู้จะกราบเท้าเลี่ยนถวายอาราธนานิมนต์ก็นึกในใจอยู่แล้วว่าคงไม่ได้เป็นอันขาดแต่ด้วยความเาคารพครูบาทองคําก็จะปฏิบัติตามลองดูส่วนครูบาวันนั้นท่านฟังแล้วพิจารณาอยู่ไม่ว่าอะไร คำว่าครูบาทองคำครูบาวันนั้นในสมัยนั้นผู้เขียนเรียกท่านทั้งสองนี้ว่าครูบาแบบเต็มภูมิเพราะถือว่าท่านทั้งสองนี้มีพรรษาเหนือตนไปไม่ถึงห้าพรรษาเพราะมุ่งเรียกตามพระวิ น, นัยไม่มุ่งเรียกตามธรรมอาจารย์เหมือนพระสารีบุตรกับพระอัสสจิพรุนเป็นวันใหม่ได้เวลาหมู่พระสงฆ์สามเณรไปรวมกันที่ศาลารอคอยจะเตรียมตัวไปบินถบาทองค์หลวงปู่ เดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ได้นั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นดินใกล้ๆคอยดูแลองค์ท่านอยู่เพราะเมื่อองค์ท่านป่วยทวีเขา้าก็ได้รักษาไปอยู่ใกล้เกินจะล้มใส่ยกมือปนมพร้อมทั้งคุกเข่าอยู่กับพื้นดินว่าขอโอกาสกราบเลียงถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์พร้อมใจกันให้กราวกราบเท้าเลียงถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอนิมนต์วิงวอนมิให้ไปบินธบาต พะชลาภาพแล้วเดินซัดไปเซมาคณะสงฆ์จะรับอาสาบินธบาตรมาเลี้ยงดอกขอรับที่นี่องค์หลวงปู่ยืนกลางขาออกนิดหน่อยกัลลุณากล่าวบรรจงพร้อมทั้งแย้พายว่าพวกเหล่านี้เป็นชี่เท้าที่เล็บของพระองค์เจ้าไปบินธบาตแต่ละวันมันได้ประโยชน์อยู่เราก็ได้ข้อวัดเขามาใส่บาทเขาก็ได้จารวัดทานวัดของเขาข้าวก้อนใดอาหารกับอันใด ตกลงในบาตรเข้าและกลับอันนั้นเป็นของประเสริฐกว่ารับนิมนต์หรือเขาตามมาส่งในวัดในมหาขันและปฐมสมโพธได้กล่าวไว้ชัดแล้วและผัวเดียวเมียเดียวกับลูกน้อยบางคนเขาก็ได้ใส่บาตรไม่ได้มีเวลามาวัดและลูกเล็กเด็กน้อยมันตามแม่มันมาใส่บาตรมันก็ได้กราบไหว้ก็เป็นบุญจิตบุญใจของมันก็เรียกว่าเราโปรดสัตว์อยู่ในตัวแล้วขึ้นธรรมะ ยึงจะว่าโปรดสัตมันก็ไม่ถูกละอีกประการหนึ่งพระบรมศาสดาของพวกเราทรงฉันบินธบาตของนายจุนทกกรรมาละบุตรแล้วก็ทรงสเสด็จถึงเมืองกุศินาราในวันนั้นลุ่งเชา้าก็ทรงสิ้นพระชนมาอยุเรียกได้อย่างง่ายง่ายว่าพระองค์สเสด็จบินธบาตจนถึงวันสิ้นลมปรานได้ทอดสะพานทองสะพานเงินสะพานอริยะทรัพย์ไว้ให้พวกเราแล้วถ้าพวกเราไม่รับมรดกของพระองค์ท่าน ก็เรียกว่าลืมตัวประมาทพวกเราก็ต้องพิจารณาคำหนึ่งให้ลึกซึ้งหลวงปู่สั่งไว้ผู้เขียนเมื่อได้ฟังอย่างนั้นในขณะนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาเพราะประทับใจและเต็มตื้นมากนักแล้วก็พอดีได้เวลาไปบินธบาตไม่ว่าแต่เท่านี้ขณะที่องค์หลวงปู่ไปบินธบาตไม่ได้ยอมฉันอยู่ที่ระเบียงกุฏินั้นพอถึงเวลาจงกรมองท่านก็เดินจงกรมวนไปมา รอบระเบียงเอาไม่เท่าคอยสักพื้นระเบียงปกปั ก, ปกแป๊กแป๊ ก, ปกอยู่สลดสังเวชและถึงใจมากนักหนาโลกาเอย๋ยขั้นล่วงเวลาเข้ามาสองสสองปวารณาออกพรรษาแล้วองค์หลวงปู่ก็ชลาอาพาธวีหนักเข้าพระอาจารย์มหาก็ได้จัดพระเนียนเปลี่ยนวาลเข้าเป่ารอบร อ, อบใจขุนและรอบกุฏิขององหลวงปู่แต่ครูบาวันครูบาทองคาและข้าพระเจ้าไม่ได้เลี่ยน เพาได้ถูกนอนเฝ้าที่ข้างบนระเบียงกุฏิองค์ท่านและก็มีงานประจําตัวคนลักกระถงข้าพเจ้ามีงานประจําตัวรักษาไฟอั้งโลและคอยชาระอาจมของหลวงปู่วันหนึ่งตอนกลางวันประมาณสี่โมงเช้ากว่าๆหลวงปู่องค์ท่านสั่งข้าพเจ้าว่าถ้าเราตายรีบพากันเผาโดยด่วนเนื้อปลาลบแบบเย็นๆ เ, เ, เบาๆถ้าเผาแล้วจงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและญาติของเรา กาวสั้นๆเบาๆแล้วองค์ท่านหลวงปู่ก็นิ่งภาวนานอนไม่รู้จะกราบเรียงอย่างไรเพราะไอจิเล็ดน้ำตามันออกมาอีกแล้วทั้งเอี่ยวคอไปและดูครูบาวันครูบาวันก็และดูประสบสายตากันแต่ต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เงียบๆอีกสักครู่หลวงปู่องค์ท่านบอกเย็นๆว่าเอาไฟไปดับเสียเพราะร้อนบ้างแล้วพากันไปพักจะอยู่องเดียวไปสักพักก่อน แล้วก็พากันเก็บสิ่งของเงียบเงียบไม่ให้กระตือือนก็กรกแจกจกราบเท้าแล้วก็พากันลงมาพร้อมกันครูบาวันก็ขึ้นกุฏิของท่านส่วนข้าพระเจ้ายังไม่ขึ้นกุฏิของตนทอดสายตาแลดูกุฏิของพระอาจารย์มหาเห็นองค์ท่านพักอยู่ธรรมดาก็ขึ้นไปกราบองค์ท่านพร้อมทั้งปนมมือขอโอกาสกราบเรียนว่าวันนี้องค์หลวงปู่กล่าวว่าถ้าเราตายรีบพากันเผาโดยด่วนเนือ้อ ปลาลบแบบเย็นๆเบาๆถ้าเผาแล้วจงส่งข่าวไปหาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและญาติของเราแล้วองค์หลวงปู่ก็นิ่งภาวนานอนพออีกสักครู่ก็บอกให้เอาไฟออกเพราะร้อนแล้วแล้วก็บอกให้พวกกระผมลงว่าจะพักอยู่องค์เดียวสักพักก่อนดังนี้พวกกระผมเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ลงมาพร้อมกันกันกบครูบาวันกระผมก็ไม่ได้พูดกับครูบาวันอันใดเลยต่างคนก็ต่างนิ่ง แต่มองดูหน้ากันอยู่เงียบๆขอรับพระอาจารย์มหาถามว่าในเวลาองค์หลวงปู่สั่งนั้นคุณอยู่ที่ไหนได้เรียนท่านว่าเฝ้าไปอยู่ใกล้เตียงขององค์หลวงปู่เพียงหัวเข่าหลวงปู่องค์ท่านถามต่อไปว่าท่านวันอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนและทําอะไรอยู่เรียนท่านว่าครูบาวันอยู่ห่างหลวงปู่ประมาณวากว่ามีสุระเลือกยายอยู่เงียบๆพระอาจารย์มหาถามต่อไปอีกว่า ท่านวันได้ยินหรือไม่เรี้ยนตอบท่านว่าได้ยินเพราะกระผมได้เอี่ยวคอคืนไปแลดูคูบาวันประสบตากันอยู่คูบาวันก็ไม่พูดอะไรกระผมก็ไม่พูดอะไรต่างคนก็ต่างเงียบแล้วการสั่งเสียขององค์หลวงปู่จะเป็นความจริงหรือประการใดขอรับพระอาจารย์มหาตอบว่าจริงทีเดียวกราบเรี้ยนถามท่านว่าถ้าเป็นความจริงทนหนจึงสั่งกระผมเป็นคําฝากไปหาคูบาวันในตัว เพราะกูบาวันนั่งอยู่ใกลองคหลวงปู่มากกว่ากระผมและกระผมเราก็เป็นผู้น้อยพรรษากว่าและจะไหนจึงไม่สั่งพระอาจารย์มหาซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่องค์สำคัญขอรับพระอาจารย์มหาตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นดอกเพราะองค์ท่านมองเห็นว่าพระองค์นี้เป็นพระอ่อนพรรษาก็จริงแต่แก่อายุทั้งยอมตัวเข้าใกล้เราด้วยขณะ น, นี้เราไม่ต้องการพูดมากหลายคาถ้าหากว่า เราพูดกับพระผู้ใหญ่มันจะต่อเราหลายคำเธอหากจะนำคำอันนี้ไปเล่าให้พระผู้ใหญ่ฟังเองเพราะเธอเป็นผู้สนใจอยู่แล้วอันนี้เป็นเพียงเริ่มทรมาเฉยๆดอกล่าพรุ่งนี้จะพูดดังกว่านี้ให้คณะสงฆ์ได้ยินหมดละเียงๆทีเดียวละขั้นเป็นวันใหม่ฉันเสร็จแล้วคณะสงฆ์ขึ้นไปมากจนหมดวัดก็ปารบขึ้นดัง พร้อมทั้งบรรยายกว้างขวางออกไปละเอียดอย่างที่พระอาจารย์มหาสายไว้ไม่ผิดเลยองค์ท่านหลวงปูบ่บรรยายออกไปว่าถ้าเอาเราไว้นานก็จุกจิกมาลกลูกลูกหลานจะจุกจิก จ, กจกิขาดจากการวิเวทจะมีแต่วิวุ่นและสัตว์ก็จะตายมากและพระองค์เจ้าก็เจ็ดวันเท่านั้นถวายพระเพิงถึงกันนั้นมันแล ะ, ะสัตว์เขาก็เอาไฟไปถวายพระเพิงตั้งแต่วันที่สามแล้ว แต่ไฟไม่ติดถึงสามครั้งเพราะเทวดาบรรดาไม่ให้ไฟติดเพราะคอยพระมหากัดสปักำลังเดินทางมาพร้อมด้วยภิสุห้าอยนี่เราเป็นชี้เล็บชี่เท้าของพระ อ, องค์เจ้าเก็บเราเอาไว้ก็อคอยพระมหากัดเสม็ดเท่านั้นสั่งดังนี้สั่งซ้ำๆชักษาดด้วยผู้เขียนม้ได้มีความสงสัยในองค์หลวงปู่ว่าจะมัดใหญ่ไปสูงในเรื่องชาปนกิจอันใดเลยแม้แต่ทีดเดียว เพราะได้เห็นด้วยตาเต็มตาเห็นด้วยใจเต็มใจและพยานอันสําคัญก็คือพระอาจารย์เนียมสิบแปดพรรษาพระอาจารย์โสก็าเก้าพรรษาสองศพปีเดียวกันสิ้นลมปลานวันไหนก็เผาวันนั่นอีกด้วยที่องค์หลวงปู่อยากจะเผาลูกศิษย์แบบหนึ่งแล้วอยากจะให้ทําให้องค์ท่านแบบหนึ่งนั้นเป็นไม่มีเลยเป็นเรื่องผู้อยู่ข้างหลังต่างหากที่เอาไวช้ชา เพราะมีมติจะสร้างโบสถ์ไว้ให้เป็นปูชจนียสถานทางวัตถุเพื่อให้ถึงใจแก่ประชาชนผู้นักไปในทางวัตถุเพราะฝ่ายปฏิบัติก็เลยกลายเป็นปัญหาโบสถ์มาจนทุกวันนี้ละเอย๋ยวิทยุตู้เย็นโทรทัศน์เรื่องที่ควรเขียนไว้เพื่อได้คำานึงถึงก็คือหลวงปู่มั่นไม่นิยมส่งเสริมการทำครัวเกี่ยวกับอาหารในวัดจนเป็นประเพณีนิจวัด องค์ท่านอ่างในพระวินัยอย่างซ้ำซ้ำซากซาว่าพระองค์ทรงพระอนุญาตในเวลาเท่ายากมากแพงขั้งสมัยเมืองเวสาลีไปบินสบาดไม่ได้แม้่ข้าวไม่พออิ่มเลยส่วนกลับนั้นไม่ว่าเชียแล้วคล้ายกับว่ากับข้าวนั้นเป็นของนอกประเด็นต่างหากครั้งพุทธการคล้ายกับว่าถ้ามีข้าวพอจะอิ่มไปเป็นวันๆแล้วก็ถือว่าพอเป็นไปพอปฏิบัติได้ไม่ถือว่าปืดเครือง แต่ทุกวันนี้พยาลินพยาลดมันเป็นเจ้าใหญ่นายโตเสียแล้วถ้าวัดไหนมีโรงครัวอาหารใหญ่ๆมีงบประมาณประจำวันมากๆอากาศก็เหมาะถูกกับกิเลส ข, ข้าชอบนักและมีนมโอวันตินฉันก่อนบินทบาทแล้วจริงไปบินทบาทยิ่งถูกนิสัยข้ามากกลางวันก่อนเที่ยงก็มีอาหารว่างแม้มันยิ่งเหมาะมากด้านน้าเปิดเอาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลาบากนัก โทรทัศน์วิทยุตู้เยน็นพัดลมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสยามรัฐหรืออะไรข้าก็รู้ทั้งนั้นเจ้าสัวคนไหนอยู่ถนนนั้นบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านี้อาเซียก็เหมือนกันผมก็รู้ทั้งนั้นผมไม่ง่คนหลอกสําหรับผมไม่ต้องมหาอุบายโมและโฆษณาต่อหน้าผมเลยผมนั้นมันไม่ค่อยได้ฉันเข้าอยู่วัดหรอกเขามาเข้าขิวเอาผมไปฉันทุกหนทุกแห่งภาษาพวกคุณอะไร ไปบินขบ่ดหลองจ๋องหลองจ๋องจึงมีผู้ใส่ให้บ้างปอกปอกแปดแปบางวันก็พอได้ฉันบ้างบางวันก็ตองฟ่องการไปเที่ยวต่างทิศเล่าผมต้องการไปเครื่องบินรถไฟรถทัวอะไรอะไรได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีในธรรมบทบทแห่งธรรมในครัธธ้งพุทธกาลกรรมาฐานทุกวันนี้มักจะไปแถวนี้เป็นส่วนมากส่วนครูอาจารย์ในฝ่ายเหตุที่องค์ท่านได้สร้างสมมาไว้แล้วบริบูรณ์ ผลฝ่ายรับเป็นมาเององค์ท่านเสวยไปแบบโอนาโอนาไม่ได้ลืมตัวลืมตนเลยพวกที่ยังไม่รู้อิโนโอิเนกําลังออกลิงออกลายประสงสัยอยากให้ได้ลาบยศสรรเสริมเดือนยอเหมือนครูบาอาจารย์ถ้าขา่าใดไปเจี่ยววิเวศเราก็ไปเจี่ยววิวุ่นหาเทศเอาคนส่วนตนเองเป็นยังไงก็จั่งมันมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากทีเดียวเขาโคกับผลโคมันเป็นของเหลือวิสัย อาจินไตต้องเขียนไว้บ้างต่างเป็นเหตุให้ได้สอนตัวผู้เขียนเพราะกันลืมตนลืมใจลืมทำการเขียนจะให้ถูกใจทนทั่วโลกย่อมทำไม่ได้ย้อนคืนมาปลาลบในเวลาองค์หลวงปู่เริ่มป่วยอันเป็นสำคัญในอนาคตั่างายันยานในส่วนอนาคตองค์ท่านถ่ายไว้ว่าเราสิ้นลมปรานไปนี้ต่างองค์ก็ต่างออกลิงออกลายแย่งกระดูกกัน และก็จะไม่ลงกันในฝ่ายปฏิปทาเพราะต่างก็จะอ้างกันว่าเราได้ฟังมาอย่างนี้เราได้ใกล้คิดอย่างนี้แล้วก็แตกกันไม่ลงกันได้สนิดจะพอพูดกันได้แต่ภายนอกส่วนภายในต่างฝ่ายก็ต่างเพ่นกันว่าปีนเกี่ยวผู้เขียนได้ยินกับหูอยู่บ่อยๆซ้ซะซะซะซะําๆซับซก่อนเวลาฉันอาหารนั่นแหละองค์หลวงปู่ชอบปลาลบในตอนนี้ถึงหกเจ็ดวันติดติดกันหลวงปู่กล่าวต่อไปอีกว่า ว่าอาจารย์เสาขิ้นลมปราณแล้วต่างแย่งกระดูกกันบางท่านเอาไปปนปั้นรูปพระทําเป็นของรางของขังสารพัดจกพัลลนาได้แต่มั่นมิได้เอาอะไรเลยเพราะถือว่าเราไม่ใช่หมาพอที่จะแย่งกระดูกกันพวกที่อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ผู้ปรารถนาดีก็มีผู้จะออกลิงออกหลายปีนเกลียวในอนาคตก็มีถ้าเราพูดมากก็จะเดือดร้อนถ้าเราไม่พูดก็คล้ายกับว่า เราไม่รู้ในอนาคตและก็ไม่มีผู้กล้าพูดอีกฝ่ายบรรดาลูกศิษย์ที่ได้ยินแล้วพอรับหลังองค์หลวงปู่แล้วก็จับกลุ่มกันกระซิบกันว่าถ้าท่านองค์ใดไม่ได้ฟังเทศตอนนี้การอยู่กับองค์ท่านก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะเทศซ้ำๆสสั่งอยู่หกเจ็ดวันแล้วฝ่ายผู้เขียนก็พิจารณานิ่งอยู่แต่นึกในใจไว้ว่าถ้าเราไม่ตายก่อนองค์ไหนจะเทศจริงเทียงไร ในส่วนนี้เราก็จะได้เห็นเราด้วยท่านผู้อื่นด้วยผลสุดท้ายก็แต่ก็ไม่กล้าเขียนเพราะจากข้ออื่นยังมีอยู่อีกองค์หลวงปู่ไม่รับคนเข้าบวชได้ไง่ายๆการบวชที่กําหนดวันลาสิกขาไว้แล้วหลวงปู่ก็ไม่รับแม้การลาสิกขาในสํานักก็ไม่มีพระเนมในวัดถ้าท่านผู้ใดคุยกันปลาลบกันในการลาสิกขาก็ดีหรือปาลารบเรื่องโลกเพื่อเพลินในโลกก็ดี องค์หลวงปู่รู้จักก็ไล่หนีมิให้อยู่ด้วยองค์ใดทะเลาะกันในสำนักก็ไล่หนีทั้งสองด้วยเพราะองค์หลวงปู่ถือว่าที่ปฏิบัติภาวนามิใช่ที่ทะเลาะกันเพราะไม่ใช่ลงศาลจะมาไต่สวนขอให้เอาคดีไปว่ากันในฝ่ายพระเถระทางปกครองทางปริยัตินั่นเถิดแต่บางเรื่องบางกรณีก็พิ จ, จารณาระงับอยู่ในที่นั่นเสร็จแต่น้อยลายที่สุดแทๆ้ๆจึงจะรับพิ จ, จารณาให้ ข้าพเจ้าผู้เสียงเห็นว่าอุบายนี้ดีเพราะต่างรูปต่างนามต่างภากต่างพวกจะไม่จับกลุ่มทะเลาะ ก, กันจะมุ่งแต่ประโยชน์ต่อกันทางสุภาพอะไรไม่เหมาะสมก็จะเอาแต่ความดีอันมีเหตุผลพอมาปรารถกกันจะไม่เอาความโกรธออกหน้าในการตัดเตือนกันและกันจะรับฟังของกันและกันจะรับพิจารณาของกันและกันจะไม่ชิงดีชิงเด่นกันเอาแพร่เอาชนะ พราะมุ่งความเป็นธรรมมุ่งความสงบเป็นใหญ่องค์หลวงปู่มั่นมีนโยบายแยกใายลึกลับในทางตรงและทางอ้อมสอนลูกๆหลานๆอย่างแยกใครคําอธิษฐานของหลวงปู่ล่างองหลวงปู่ได้เทศประกินดกาต่างๆอันเป็นคติที่ปรับเปลียวไม่อืดอาดไม่มักใหญ่ไปสูงไม่นอนใจไม่เกลียดคร้านไม่ถนองตัวว่ายี่สิบห้าพรรษายังไม่ได้ทิ้งบาตให้ไคลลางให้เป็นมิจฉวัดเลย ทำเองและยังไม่เอาพระเอาเนนเอาตาปัดขาไว้อุ ป, ปถากเลยข้อนี้ก็สําคัญควรเขียนไว้พระปฏิบัติทุกวันนี้ฉลอยจะตรงกันข้ามเป็นส่วนมากส่วนผู้เขียน 15, สิบห้าพรรษาจึงมีผู้ล้างบาทให้บ้างส่วนตัดน้ํำชายน้ํำฉำ น, นี้หามก็ดีคอนก็ดีหิ้วก็ดี 18, สิบดพรรษายังได้ทําอยู่และทุกวันนี้ก็ยังได้กําชับดูแลในการเปิดปิดอยู่ทิ้งไม่ได้ พระอาศัยนา้าฝนไหลาจากหลังคาลงสู่ถังและถ่ายเทถังอยู่สูงลงไปสู่ที่ต่ำแม้กระโนที่เอาไว้ประจำตอนกลางคืนตื่นเช้าก็ไม่ผูกขาดว่าจะเอาไว้ให้แต่ลูกๆหลานๆล้างให้ล้างก่อนไปก็มีแต่ไม่เอาความผิดกับลูกๆห ล, ล, ลานถือว่าเคยทำติดนิสัยและเป็นการไม่นอนใจว่าตนเป็นเถราเต็มภูมิและเป็นการแบ่งเบากับลูกๆห ล, ล, ลานอีกด้วย การกวาดลานวัดตกอายุเจ็ดสิบล่วงเข่าไม่ค่อยจะทันพระเนียนเสียแล้วเพราะบางทีก็มีแขกมาพูดด้วยถ้าจะบอกเขาและดุดาบ้างก็วาสนาตนไม่พอก็กลัวเขาปูกเวรและบางทีก็ไสเลื่อนลงก็จําได้นอนหงายลงชันหัวเข่าไว้ให้ไสเลื่อนขึ้นแล้วลัดด้วยเข็มขัดหัวงูเห่าก่อนแล้วจึงได้ไปกวาดลานวัดก็กินเวลาไปบ้างถ้าลัดไว้หมดวันหมดคืนลมก็เดินไม่สะดวกอีก มันเป็นสัพพทุกไปทางหนึ่งอีกไส้เลื่อนนี้หลังควานขึ้นมาตั้งแต่พศ2522อายุ68พรรษา34ว่านว่านยายาสมุนไพรจิตพัสสะสารพัดไม่หายและก็มีท่านผู้มีศรัทธาเมตตาจะพาไปผ่าตัดให้โดยไม่ได้ให้ลงทุนทรัพย์แต่ประกันใดๆก็มีอยู่หลายลายแล้วและขอขอบคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่โดยทุกเมื่อเพราะเจตนาดี แต่เมื่อพิจารณาดูเหตุผลของตนแล้วก็มีการเพ่งโทษตนเองว่าก็ในฐานะของเราป่าเถื่อนไม่สมฐานะโรงพยาบาลโกเเกและเป็นที่ลำบากแก่ผู้อื่นติดตามเฝ้าและเจ้าตัวก็ไม่สะดวกหัวใจอีกขอตนอยู่ในป่าในภูเขาคำนาผมก็ไม่สะดวกขึ้นเขาลงห้วยหลวงหูหลวงตาผ้าดำๆไม่มีอำนาจวาสนาอันใดเลยแต่สำคัญตัวว่า เป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดียวในป่าในเขาพอมีอุปสรรคเข้าในทางป่วยก็ทำสมบมวาเส้นเอ็นเป็นเกลียวหน้าเหี่ยวเหียวไม่มีสง่าลาสีผมงอครึ่งท่อนไปนอนข้างคืนขีดขวางประชาชนในโรงพยาบาลอายุก็ล่วงการผ่านไวแล้วข้อนี้แหละเพ่งโทษตนเองมากไม่มีสารอุทธรตนเองเลยขอเมื่อได้ความเฉพาะตนเองอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานซ้าลงไปให้แน่น ผูกมัดตนเองอีกว่าจะไม่ผาไม่ตัดใดๆที่ในโรงพยาบาลเลยมอบให้คุณหมอพระเพลิงตัดผ่าอันเป็นอิสระผู้อยู่ข้างหลังหรือจะฝังก็แล้วแต่กรณีแต่ที่ดินภูเขาผุดยากมันคาก้อนหินมีปัญหาว่าชไนจึงเอาองค์หลวงปู่มั่นและพระอาจารย์มหาบัวมาปะปนกับประวัติของตนสมสี่สมหาด้วยเล่าไปแต่เรื่องของตนม่ได้ดอกหรือตอบว่าไม่ได้ เพราะไม่สมดุลในยุคนั้นและก็ได้เขียนไว้ในตอนต้นนั้นแล้วคล้ายๆกับว่ากาไปจับปูเขาทองจะเล่าแต่เรื่องกา ก, าก็ไม่ได้จำต้องได้เล่าเรื่องปูเขาทองด้วยเพราะปูเขาทองมีคุณค่ามากกว่าก า, กาหาประมาณนี้ได้ธรรมดาของกาไม่มีใครถามมันเลยมันก็ลองประกาศตัวของมันว่ากากาอยู่อย่างนั้นแล้วนิจจเอยและก็มีสุภาษิตข้อหนึ่งเป็นของโบราณของไทย ในรัช ก, กาลที่หกแห่งเด็ดตะเล็ดเล่นสามกล่าวไว้ให้คำหนึ่งว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดจดสีใสเปรียบไฟภายในหนังนั้นดำปานกาบุปผาบางชนิดดอกสวยไม่หวยหอมบางชนิดทั้งสวยทั้งหวยหอมบางชนิดไม่สวยแต่หวยหอมบางชนิดทั้งไม่สวยทั้งไม่หวยหอมไม้ต้นใหญ่ไม่มีแก่นก็ได้ไม้ต้นใหญ่ด้วยทั้งแก่นโตด้วยไม้ต้นเล็กทั้งไม่มีแก่นด้วย หมายทั้งต้นเล็กด้วยทั้งมีแก่นด้วยของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใจไก่แจ้คุยเคียวหาอาหารได้ปล่อยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากขันขึ้นเปลยเปลยว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อันใดกับเราว่าแล้วก็คุยเคียวไปในแปลงอื่นผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นของมีคุณค่าล้ำเลิศ แต่เห็นว่าไม่ประเสริฐเท่าลัทธิของตนที่เคยสนใจใคขว่ควรมาปล่อยเวลาให้ตายไปเปล่าประโยชน์ไม่มีวันจะเห็นโทษว่าตนหลงกรรมนิยมกรรมบันดาลย่อมอ่านหารว่าตนดีพอใช้ได้สัตว์อยู่ใต้โลกาย่อมตกหลุมบ่มบ้าคือหลุมกิเลสแต่มีขอบเขียดยกเว้นพระโสดาบันเป็นต้นไปเสียเหลือนอกนั้นเป็นอันไม่แน่นอนได้จะแน่นอนได้อยู่ก็แต่อูของความหลง เพราะไม่ได้เดินตรงออกจากความหลงของตัวยังเมามัวในการเห็นผิดกันชอบสิ่งที่ประกอบไปทางผิดติดมิใสท่านผู้หวังดีมีชัยในโลกุจลลสะสมบัติอย่าได้ให้ศีลห้าวิบัติแปลผันอบายยมุกทุกทุกักนรีบเว้นพันทันช่วงกีอย่านานเนื่นชาชีวาเท่าหลังไหลไปมวยช่วยตนเองเมื่อยังมีชีวาดีกว่าช่วยตนเองยามหายใจเปิด เวลามีเพียงเล็ดน้อยเท่ า, มาเมล็ดงาเมื่อหายใจออกมามีอุปสรรคสดๆมาขบดโดยเร็วด่วนๆหายใจเข้าไม่ได้แน่นหน้าอกหรือลมตีขึ้นเบื้องสูงแรงก้าเหลือวิสัยได้จำใจมลนาผู้มีสติปัญญาภาวนาทัานกำเหตุการณ์พร้อมทั้งมียางสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาตัดความอาลัยในโลกาได้พันคันการก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานโดยแท้แล พระนิพพานนี้เป็นของลึกซึงมากเป็นของยากอยู่กับท่านผู้อาัยอาวอนกับโลกอดีตกับโลกอนาคตกับโลกปัจจุบันโลกอดีตนั้นคือผู้ลูที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตนั้นคือผู้รูที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันนั้นคือผู้ลูที่ยังมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันโลกอดีตโลกอนาคตนั้นมารวมอยู่ในโลกผู้ลูในปัจจุบันแล้วไม่ต้องสงสัยไปสงสัยหา จะเป็นกรรมเป็นวิบากบนกันอยู่เหมือนงูกินหางตนเหมือนหยอกเงาตนจะไม่มีเงื่อนตนเงื่อนปลายไม่จบสิ้นลงได้อย่าสําคัญตัวเข้าไปสอดแทรกเสวยและยึดถืออย่าไปขี้ไปปนอย่าไปรัดไถ่รัดขอนมอบคืนส่งคืนให้ผู้ลูด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาอันชัดอย่าได้สุ่มเดาด้านคาดะเนให้เป็นมหาปัจจิตังอันสุดท้ายแหล่งดวงประที่ใกล้สิ้นแสง ย้อนมาป่าลบองค์หลวงปู่มั่นผู้ชราอาพาธเพิ่มหนักเขา้าออกพรรษาแล้วครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าจำพรรษาอยู่ต่างทิศ ต, ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลก็ทยอยกันเข้ามาเฝ้าองค์หลวงปู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือต่างก็ออกความเห็นมติตามเจตนาแต่ละองค์สองสี่เก้าสองเดือนพฤศจิกายนนั้นเองเป็นข้างขึ้นของเดือนนั้นมีพระอาจารย์เทศหลวงปู่เทศในปัจจุบันสมัยนั้น องค์ท่านจำพัรษาอยู่เขาน้อยท่าแหลบจังหวัดจันทบุรีมีหลวงปู่อ่อนสมัยนั้นองค์ท่านจำพัรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองโดกอำเภอพัรณานิคมจังหวัดสกล น, นครมีหลวงปู่ฟั่นสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดป่าท่านนาเวงที่เรียกว่าวัดภู่ทอนทีทักอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครมีพระอาจารย์กองมาหรือหลวงปู่กงมาสมัยนั้น องค์ท่านจำพรรษาอยู่วัดดอยคำมเจดีแต่กําลังเริ่มก่อสร้างอยู่ยังไม่ทันกว้างขวา ง, วางไปบินขบบาดบ้านนาสีนวลแต่องค์ท่านไปไปมามาอยู่วัดป่าบ้านโคกเพราะวัดเดิมอยู่นั้นก็ถูกขึ้นอาเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครมีพระอาจารย์ปู่หรือหลวงปูป่ปูก็ว่าจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านโคกมะนาวอาเภอพัรณานิคมจังหวัดสกล น, นครมีพระอาจารย์มหาทองสุขวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครและสมัยนั้นวัดป่าบ้านหนองผือองค์หลวงปู่มั่นก็ขึ้นบัญชีพระประจําปีกับวัดสุทาวาสอยู่มีพระอาจารย์สีหโหสมัยนั้นองค์ท่านจำพรรษาอยู่นครราชสีมาเป็นวัดใดสงสัยอยู่จําไม่จัดมีพระอาจารย์กว่าสมัยนั้นองค์ท่านจําพรรษาอยู่บ้านนาหัวจงังอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกล น, นครนั้นเองให้เข้าใจว่า พระอาจารย์ปู่ก็ดีพระอาจารย์กว่าก็ดีหลวงปู่ฟั่นก็ดีเป็นเครือญาติใกล้ชิดสันในฝ่ายตระกูลวงแต่พระอาจารย์ปู่มีพรรษาเหนือกว่าหลวงปู่ฟัน่นได้สิ้นลมปลาณไปหลังหลวงปู่มั่นพรรษาหนึ่งเท่านั้นมีพระอาจารย์บิลิยังสมัยนั้นท่านจําพรรษาอยู่วัดป่าอําเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีและก็ไปไปมามาอยู่วัดป่ากรงสีไร่อันเป็นอําเภอขุ่งนั่นเอง จึงเขียนไว้เป็นที่ระลึก